ตอนพลังจิตของผู้เขียนท่านผู้อา่านกรุณาอยา่าหาว่าฉันนี่คงหมดปัญญาแล้วที่จะเขียนเรื่องอื่นจึงเขียนเรื่องคนไข้ที่มารับน้ำมนต์อันที่จริงจะเขียนเรื่องเก่าๆก็ได้แต่ไหนเลยจะออกรถเท่ากับเรื่องอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิมซึ่งขณะนี้กําลังเป็นที่สนใจของบรรดาผู้อ่านทั้งหลายอีกประการหนึ่งก็จะได้ทราบถึง ความเป็นไปในผลของอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ท่านด้วยว่าได้ผลดีมากขนาดไหนซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเพราะฉะนั้นหวังว่าผู้อ่านทั้งหลายคงไม่ว่านะคะตามที่เคยเขียนเล่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆว่าตอนอายุ22ปีได้เคยพบกับพระองค์หนึ่งท่านชื่อหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอกท่านเป็นผู้ทายชั้นไว้ว่าปากชั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ สวดมนต์คาถาก็ขลังแช่งคนก็ได้จิตของฉันมีพลังมีอนุภาพสามารถแช่งคนทางจิตก็ได้ถ้าคิดสัมๆในทางลบกับใครก็จะทาให้เกิดเป็นดังจิตคิดไดเช่นเดียวกันกับถ้าคิดในทางดีผลดีก็จะเกิดตามที่จิตคิดไม่มีปัญหาฉันเคยทดลองในทางดีทางชอบมาหลายครั้งแล้วซึ่งก็เป็นผลดังจิตคิดเกือบทุกเรื่อง และในความต้องการของฉันเกือบตลอดเวลาที่ผ่านมานี้สิ่งหนึ่งที่ฉันเฝ้าอยากได้ก็คือรูปภาพหรือรูปปั้นของหลวงพ่อพริงเป็นที่สุดว่าจะทำยังไงดีหนอจะติดต่อสอบถามกับใครดีหนาจึงจะได้รูปท่านมาบูชาได้เพราะยิ่งนับวันสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับตัวมากขึ้นทุกทีจนแทบไม่น่าเชื่ออย่างเช่นเรื่องการมาปรากฏตัวของพระอุบาลี ซึ่งได้มรณภาพตั้ง400ปีมาแล้วเป็นต้นในที่สุดวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังลงไปแจกน้ำมนต์วุ่นวายอยู่พลันก็มีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามในที่นี้ด้วยท่านคือคุณอังุ่นเช้าวันนั้นเธอพาญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมารับน้ำมนต์เพราะมีปัญหาเรื่องปวดเข่าและกาลังขาไม่มีแรงฉันก็ได้จัดการอธิษฐานจิตให้เธอหาย พร้อมกับบอกวิธีปฏิบัติให้ทราบ พ, พอเสร็จคุณอังุนเธอก็ส่งห่อกระดาษสี่เหลี่ยมให้ฉันห่อหนึ่งบอกว่าเธอตั้งใจเอามาให้ฉันโดยเฉพาะฉันนึกไม่ออกเลยว่าในนั้นมีอะไรได้ค่อยๆแก้เชือกที่ผูกไว้ออกด้วยความยากเย็นพอแก้กระดาษออกสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าฉันคือรูปของพระสงฆ์องค์หนึ่งนั่งอยู่ต่อหน้าที่บูชาข้างๆองค์ท่านมีพัดยศปักอยู่ พระองค์นี้รูปร่างสูงใหญ่ฉันเท่งมองอยู่ครู่หนึ่งก็หาทราบได้ว่าเป็นท่านผู้ใดรู้สึกงงจริงๆกำลังเพ่งมองเพื่อพยายามละลึกให้ได้ว่าเป็นใครก็ได้ยินเสียงคุณองุงนเอ่ยถามขึ้นว่าคุณจำได้ไหมคร้าว่ารูปใครฉันตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าจาไม่ได้ค่ะรูปใข ค, คนีความจริงคับคล้ายคับคลาวว่าเคยเห็นที่ไหนแต่นึกไม่ออกจริงๆค่ะ คุณอังุนตอบว่ารูปหลวงพ่อพริ้งไงคะเท่านั้นแหละน้ําตาฉันไม่รู้ว่ามาจากไหนไหลมาเทมาด้วยความปราบปลื้มที่สุดฉันกราบคุณอังุนด้วยความขอบพระคุณเป็นล้นพ้นฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ฉันเฝ้าปรารถนาจะมาถึงมือฉันเร็วอย่างนี้ฉันซึ่งทุกวันนี้มีได้ต้องการสิ่งใดจากใครอีกเลยเคยบอกลูกๆว่าวันเกิดของแม่ก็ดี ปีใหม่ก็ดีอย่าได้วุ่นวายเฟ้นหาของขวัญอะไรมาให้แม่เลยถ้าจะให้ก็มีอย่างเดียวที่แม่ชอบใช้ก็คือเอร์ดิโคโลนสตอสกาอย่างอื่นไม่พึงปรารถนาทำให้ลูกๆหลานๆพากันสบายใจเพราะไม่ต้องคิดหาอะไรต่ออะไรให้เหนื่อยตัวเปล่าๆแต่สิ่งเดียวสิ่งนี้ที่ฉันได้รับความการุณาที่คุณองุ่นมีน้ำใจจัดหามาให้ทั้งๆ ท, ที่ฉันไม่เคยเอ่ยปากเลยนั้น ช่างแสนมหัศจรรย์จริงๆอะไรหนอไปดนจิตดนใจคุณอังุนให้เธอคิดหารูปภาพหลวงพ่อองค์นี้มามอบให้ฉันได้ณที่นี้ขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณคุณอังุนมาอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะต้องขอประทานโทษที่นำชื่อท่านมาเอ่ยในเรื่องนี้โดยอย่างมิทันขออนุญาตด้วยหวังว่าคุณอังุนคงให้อภัยนะคะและโปรดรับทราบไว้ด้วยว่า คุณอังุ่นได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้แก่ผู้เขียนชนิดคาดไม่ถึงทีเดียวและด้วยความมีน้ำใจดีอุตสาห์นำรูปภาพนี้มามอบให้ขณะที่จิตกำลังฝ่หาอยู่เป็นนักเป็นหนาในครั้งนี้ขออาราธนาคุณเจ้าแม่กวนอินเจ้าแม่แห่งความเมตตาช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่คุณอังุนได้รับอยู่ให้อันตรธานพ้นไปจากตัวคุณอังุนจนหมดสิ้นและ ดลบันดาลให้คุณอังุนจงมีสุขภาพอันสมบูรณ์มีความสุขทั้งกายและใจปลาถนาสิ่งใดก็จงได้ดังปราถนาตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยเถิดจบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองตอนพบกันในฝันเรื่องมีอยู่ว่าเช้า ว, วันหนึ่งเป็นวันแจกน้ำมนต์เมื่อเดินกุมภาพันนี้เอง ขณะที่ฉันยังนั่งสวดพระคถายอดพระกันไตปิดกอยู่เด็กรับใช้ก็นำจดหมายฉบับหนึ่งมาให้บอกว่ามีคนไข้จะมารอรับน้ำมนต์ได้นำมาในจดหมายนั้นผู้เขียนเป็นอาจารย์สอนนักเรียนคนหนึ่งเป็นอาจารย์ชายเขียนมาเล่าว่าเด็กที่นำจดหมายมานี้เป็นโรคไตาวายหมอกะวันตายให้ไม่เกินเดือนกุมภานี้แล้วไตก็ล้างไม่ได้ต้องปล่อยให้ตายเพราะหมดทางรักษา อาจารย์เธอรู้สึกสงสารเด็กคนนี้เหลือเกินอายุก็เพียง21ปีเท่านั้นในระหว่างที่คิดหาทางช่วยเหลืออยู่นี้ก็เกิดฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมพร้อมกับมีตัวฉันอยู่ในฝันนั้นด้วยซึ่งแปลกมากเพราะในชีวิตเธอไม่เคยรู้จักฉันมาก่อนเธอก็ได้แต่คิดแปลกใจว่าคนแก่ที่เห็นในฝันนั้นเป็นใครันแน่เหตุไรจึงมาอยู่ในความฝันพร้อมกับเจ้าแม่กวนอิมด้วย จนกระทั่งมีอะไรไม่ทราบมาโดนใจให้เธอเลือกซื้อหนังสือโลกลี้ลับฉบับที่26ซึ่งมีรูปฉันชัดเจนอยู่บนปกหลังในด้วยพร้อมทั้งมีรูปอื่นๆที่ฉันกำลังอยู่ในพิธีบวงสวงเจ้าแม่กวนอิมและบอกกล่าวถึงเรื่องที่จะมีการแจกน้ำมนต์เพื่อรักษาคนไข้อยู่ในเล่มเดียวกันนั้นด้วยอาจารย์ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นรูปฉันเพราะเธอจาได้แม่นยาว่า ผู้สูงอายุที่ไปเข้าฝันกับเจ้าแม่กวนอิมคืนนั้นเป็นคนคนเดียวกับฉันอย่างแน่นอนอาจารย์จึงได้คิดว่าชะรอยเจ้าแม่คงจะไปบอกและชี้ทางที่จะช่วยชีวิตเด็กสาวคนนี้แน่ๆเธอจึงตัดสินใจให้พี่ชายเขาพาน้องสาวมาพบฉันเพื่อขอให้เจ้าแม่กวนอิมรักษาให้วันแรกที่ฉันลงไปพบเด็กสาวคนนี้ฉันสงสารจับใจจนกลั้นน้าตาแทบไม่อยู่ เพราะลักษณะอาการของเธอนั้นชวนให้เวทนายิ่งนักนาสีดตาลอยผิวสีเหลืองเหลืองเดินแทบจะไม่ไหวที่ข้อมือซ้ายของเธอมีผ้ากอสปิดแผลไว้ฉันถามว่ามือเป็นอะไรพี่ชายเด็กตอบว่าหมอได้พยายามจะล้างไตแต่ล้างไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่โป่งจึงหมดหนทางที่จะรักษาฉันอธิษฐานจิต ขออนุภาพจากเจ้าแม่ให้น้ำมนไปดื่มเพื่อให้เส้นเลือดโป่งหมอจะได้ล้างไตได้และขอให้น้ำมนนี้ไปช่วยล้างไตให้สะอาดและกลับมาทำงานได้อย่างเดิมด้วยสี่วันต่อมาคนไข้ารายนี้กลับมาหาฉันอีกดูหน้าตามีเลือดฝาดขึ้นในตามีแววสดใสขึ้นผิวก็ไม่ซีดมากอย่างก่อนถามไทยดูได้ความว่าหลังจากได้ดื่มน้ำมนของเจ้าแม่ และได้รับการเป่าหัวจากฉันแล้วได้กลับไปหาหมอหมอแปลกใจมากว่าเซลนเลือดที่ไม่โป่งทำไมถึงโป่งขึ้นมาได้หมอก็ดีใจและให้ทําการล้างไตหนึ่งครั้งแล้วเพราะอีกสี่วันต่อมาถึงกำหนดแจกน้ำมนคนไข้ารายนี้ก็มาขอน้ำมนไปดื่มอีกเพราะน้ำมนหมดแล้วมาครั้งนี้ก็ปี้กระเป๋าขึ้นเยอะเราว่าไปล้างไตามาอีกแล้วขณะนี้รู้สึกสบายขึ้นมาก ไม่อ่อนเพลียเลยมีอาการปกติทุกอย่างหน้าตาก็ดูแจ่มใสขึ้นมากฉันรู้สึกปลื้มใจมากจริงๆที่ได้มีโอกาสช่วยชีวิตเด็กคนนี้เอาไว้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างเหลือเชื่อจริงๆเสียด้วยนับรายนี้เป็นรายที่สามแล้วที่เจ้าแม่ได้แสดงอนุภาพผ่านฉันเพื่อช่วยชีวิตคนไว้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างอัศจรรย์ที่สุดช่างเป็นการบังเอิญอย่างน่าประหลาด ที่ขณะที่ฉันกําลังเขียนเรื่องนี้อยู่ไม่ทันจะจบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอฉันยกขึ้นรับเสียงที่พูดมาก็คืออาจารย์เขมรินผู้ที่เขียนจดหมายฝากเด็กคนนี้มานั่นเองอาจารย์โทรศัพท์มาเล่าถึงความรู้สึกที่เขารบบูชาในเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วและพูดถึงความหัศจรรย์ น, นี้ด้วยว่าเหตุใดเจ้าแม่จึงไม่ไปเข้าฝันเพียงลําพังแต่กลับนําฉันไปให้เธอเห็นด้วย อย่างนี้ก็หมายความอย่างชัดๆว่าต้องให้คนไข้คนนี้รีบมารับการรักษาจากฉันโดยได้รับอนุภาพจากเจ้าแม่ผู้ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังนั่นเองเราคุยกันอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจะวางโทรศัพท์ส่วนในหัวใจก็ต่างรู้สึกปลื้มปิติในผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งตอนได้รับข่าวร้ายคนไข้ที่ฉันกาลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นนายแพทย์ สำเร็จจากประเทศเยอรมนีเป็นเพื่อนรักกับฉันมาหลายสิบปีแล้วเราเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่กันจริงๆตั้งแต่ลูกเต้าของเรายัางเล็กๆและบางคนก็ยังไม่เกิดก็มีวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังอยู่กับเพื่อนๆก็มีโทรศัพท์มาขอพูดด้วยพอฉันรับสายข่าวที่ได้ยินเป็นข่าวร้ายทำให้ฉันตกใจมากรู้สึกงงไปชั่วครู่ใหญ่ จะไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อได้รับทราบว่าเพื่อนสนิทของเราเป็นโรคมะเร็งกําลังได้รับการผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดณนะโรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่งเย็นวันนั้นสิ่งแรกที่ทำก็คือโทรศัพท์ตามน้องสาวให้มาขับรถให้ในวันรุ่งขึ้นจะได้ไปเยี่ยมคนไข้ชั่วเวลาคืนเดียวใจฉันก็รู้สึกเร่าร้อนและเป็นทุกข์แทนเพื่อนและครอบครัวเธอเป็นที่สุด อยากให้เช้าเร็วๆ เ, เหลือเกินในความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับเพื่อนคนไข์ารายนี้มันช่างแปลกจริงๆคือลึกลงไปในความรู้สึกมันมีความหวังแอบเบ้นอยู่เงียบๆว่าจะอย่างไรก็ตามฉันจะต้องไปลงมือรักษาด้วยมือตัวเองให้หายให้ได้เอาละ่ะฉันจะอาราธนาอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิมให้ไปสู้กับโรคภัยนี้ให้มันแพ้ไปให้ได้ วันแรกที่ได้พบหน้าภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนรักเหมือนกันได้รับฟังว่าคนไข้นอนไม่หลับมีไข้และอารมณ์ไม่ดีตลอดมาทั้งสองคืนไม่รู้จะทำยังไงถึงจะแก้ตกฉันเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ติดเตียงคนไข้เธอดีใจมากเอามือฉันไปจับมือเธออุ่นจัดแสดงว่ามีไข้หน้าเธอดูซีเซียวอย่างคนอ่อนแรงคาแรกที่ฉันถามเธอว่า หมอเชื่อฉันไหมถ้าฉันจะรักษาให้เธอตอบทันทีว่าผมไม่เคยไม่เชื่อคุณเลยฉันค่อยมีกําลังใจก็ตอบเธอไปว่าโอเคถ้างั้นจะขอรักษาให้ขอให้ทำใจให้เลื่อมใสให้แน่วแน่เป็นใช้ได้สิ่งแรกที่ฉันทำก็คือให้พยาบาลมาหมุนหัวเตียงให้คนไข้ยอยู่ในลักษณะนั่งเสียก่อนพอพยาบาลออกไป ฉันก็ไปยืนห่างหัวนอนคนไข้สวดอ้อนวอนและอารัธนาเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตาให้ลงมาประทับอยู่กับฉันด้วยฉันจะรักษาคนไข้ชื่อนี้ซึ่งเป็นโรคอะไรฉันจะทำพิธีขับไล่โรคร้ายนี้ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นภายในตัวคนไข้คนนี้ให้ออกไปจากตัวให้หมดสิน้นและขอให้เจ้าแม่จงดลบันดาลให้โรคร้ายนี้จงหยุดเด็ดขาด และขอให้คนไข้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดด้วยแล้วฉันก็ภาวนาไปเป่าศรีรษะคนไข้ไปสามทีแล้วก็ทำพิธีขับไล่โรคร้ายตลอดทั่วร่างกายให้หายออกไปจนหมดสิน้นรุ่งขึ้นแต่เช้าภรรยาหมอคนไข้โทรศัพท์มาบอกเด็กของฉันไว้ว่าให้บอกฉันด้วยว่าเมื่อคืนหลังจากฉันกลับหมอไม่มีอาการทุรนทุรายอะไรเลย ลับสนิทเป็นอันดีเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ลูกเมียเป็นอย่างยิ่งผิดกับคืนก่อนเป็นคนละคนสองคืนต่อมาหมอที่รักษาบอกว่าปอดมีอาการไม่ค่อยดีกลัวจะเป็นนิวมอนเนียหรือปอดบวมให้คนไข้ยพยายามไอเพื่อให้เสมหะออกเพราะคนไข้มีอาการหายใจไม่สะดวกด้วยแต่คนไข้ก็ไอไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ไอภรรยาก็อารัธนาน้ำมนของเจ้าแม่ เอาไปให้คนไข้ดื่มอีกสามอึกเท่านั้นคนไข้ก็เกิดอาการไอไอที่กันจนในที่สุดเสมหะหรือลังของหืดได้หลุดออกมาเป็นยวงโตพอเสมหะก้อนนี้หลุดออกมาไข่ก็ลดทำให้ปอดเคลียร์ขึ้นโดยเห็นจากฟิล์มเอ็กซเลเป็นเรื่องที่ประหลาดในคืนที่สหมอได้ส่งรถมารับฉันไปโรงพยาบาลให้ไปทำการรักษาเป็นครั้งที่สองพอถึง ฉันก็เริ่มลงมือรักษาเลยทีเดียวและตั้งใจจะรีบกลับด้วยเพราะในท้องไม่มีอะไรเลยตั้งแต่บ่ายรู้สึกหิวตั้งแต่ก่อนไปแล้วแต่ความเป็นห่วงเพื่อนจึงทิ้งการกินไว้ก่อนรักษาแล้วค่อยกลับมากินครั้งนี้แปลกมากมีเสียงบอกที่หูว่าให้เอาโรคร้ายออกจากตับด้วยพอฉันอาราธนาเจ้าแม่เสร็จก็เดินไปยืนข้างเตียง แปะมือลงที่ใต้ซี่โครงขวาอันเป็นที่ที่ตับตั้งอยู่พอฉันแปะมือลงไปก็รู้สึกร้อนแต่พอเคลื่อนมือลงไปแปะที่อื่นกลับรู้สึกเย็นครั้นมาแปะที่ตับอีกก็ร้อนอีกฉันจึงทำพิธีตามเจ้าแม่ท่านสั่งคือแบมือลงไปแล้วรวบมือกาออกมาทิ้งแล้วสิ่งที่ประหลาดก็เกิดขึ้นคือตอนที่ฉันกาลังออกจากตับนั้น ในฝ่ามือฉันเกิดความรู้สึกว่ามีตัวอะไรมีคนแข็งๆดิ้นอยู่แต่มองไม่เห็นทั้งสามครั้งที่ฉันทำพิธีกรรมที่ตับออกมาทิ้งก็มีตัวดังกล่าวทุกครั้งไปแม้เมื่อเสร็จพิธีแล้วตัวนั้นก็ยังดิ้นอยู่ในฝ่ามือจนฉันไม่กล้าแบมือออกเลยกํามือขวากลับบ้านแม้ขณะที่นั่งมาในรถตัวฉันก็ยังอยู่ในสภาพกามืออยู่อย่างนั้นขณะที่นั่งรถกลับ โดยมีหลานชายคนไข้เป็นผู้ขับรถมาส่งฉันยังบอกให้รู้ว่านี่นาต้องกำอยู่ตลอดเวลากลัวมันจะออกมาในรถจนใกล้จะถึงบ้านก็มีเสียงบอกที่หูว่าอย่าเอาเข้าบ้านนะล้างมือนอกบ้านไล่ไปให้พ้นก่อนพอถึงหน้าประตูฉันก็เรียกเด็กให้เอาขันใส่น้ำสบู่ออกมาล้างมือแล้วไล่ไปให้พ้นนั่นแหละความรู้สึกที่มีตัวที่มีขนดิ้นอยู่จึงหายไป ส่วนทางด้านคนไข้พอรุ่งขึ้นหลังจากดื่มน้ำมนและโดนฉันทำพิธีไล่โรคร้ายให้ตอนกลางคืนก็เกิดไ่ายอุจจาระออกมากินตลบอบอวนไปหมดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากเพราะคนไข้ยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยได้แต่น้ำเกลือทั้งก่อนจะผ่าตัดก็ได้ล้างลำไส้จนสะอาดแล้วแต่เหตุไฉ น, นจึงมีอุจจาระออกมาได้เป็นที่ฉงนสนเทกับหมอที่รักษาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากถ่ายอุจจาระออกมาแล้วอาการของคนไข้ก็ดีวันดีคืนหายยังกับมีปีกซึ่งปกติแล้วคนไข้โรคนี้กว่าจะฟื้นสภาพจะกินเวลาเป็นอาทิตย์ในที่สุดชั่วระยะเวลาอาทิเสรหมอที่รักษาก็บอกให้คนไข้กลับบ้านแต่คนไข้กลับเป็นฝ่ายไม่ยอมกลับจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ได้ถามแต่คาหนึ่งที่ฉันได้รับจากปากของคนไข้ซึ่งเป็นนายแพทย์ได้บอกฉันว่า การรักษาของคุณได้ผลร้อยเปอร์เซนต์และขอขอบคุณอย่างมากที่สุดในโลกที่ช่วยรักษาให้เท่านี้ฉันก็ปลื้มปิติอย่างที่สุดแล้วจะไม่ให้ฉันรู้สึกอย่างนี้อย่างไรได้ในเมื่อฉันไม่ได้เป็นหมอไม่เคยรักษาใครมาก่อนนอกจากให้น้ำมนและเพิ่งจะรักษาเพื่อนสนิทคนนี้เป็นคนแรกแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดอย่างนี้และประการสาคัญที่สุด ฉันมั่นใจเหลือเกินว่าหมอเพื่อนรักของฉันจะมีอายุยืนต่อไปได้อีกนานเกินคาดด้วยซ้ำเพราะอะไรหรือเพราะเมื่อฉันได้ทำพิธีกรรมครั้งต่อต่อมาไม่มีอะไรติดมือฉันออกมาอีกเลยจบตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นตอนที่สองตอนอนุภาพเจ้าแม่กวนอิมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของหลวงพ่อสีอ่อง ซึ่งประสบมากับท่านเองท่านเล่าว่าคืนวันหนึ่งท่านรู้สึกไม่สบายใจว่าขาดปัจจัยที่จะเป็นค่าเครื่องบินลงมาทำพิธีให้กับลูกศิษย์ที่นิมนต์ท่านให้ไปทำพิธีทางสงให้อยู่ๆท่านก็เดินไปยังตู้ที่ตั้งเจ้าแม่กวนอิมอยู่ท่านไปพูดเชิงล้อเจ้าแม่ว่านี่เจ้าแม่ยืนนิ่งอยู่ในตู้อยู่อย่างนี้นะ่ะไม่เห็นช่วยอะไรเลยเงินทองก็ไม่มี คนเขานิมนต์ไปกรุงเทพก็ไม่มีเงินถ้าเจ้าแม่ไม่ช่วยอะไรแล้วก็พรุ่งนี้จะเอาเจ้าแม่ลงไปไว้ชั้นล่างแล้วไม่ให้อยู่บนนี้อีกต่อไปพ่อไปต่อว่าเจ้าแม่แล้วหลวงพ่อก็ไปส่งน้ำขณะนั้นเป็นหน้าหนาวต้องส่งน้ำร้อนท่านก็ต้มน้ำพอน้ำเดือดท่านก็ยกกาน้ำไปผสมลงในถังน้ำเย็นท่านผสมไปก็ลองเอามือคลาไปพออุ่นได้ที่ ท่านก็ยกขันน้ำที่ลอยอยู่ในถังขึ้นรถศีษะทันทีหลวงพ่อต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะน้ำในขันนั้นแทนที่จะเป็นน้าอุ่นกลับกลายเป็นน้ำเดือดเดือดท่านถูกน้ำร้อนลวกศีษะทั้งมือท่านก็ออกมาต่อว่าเจ้าแม่อีกว่าอะไรกันล้อเล่นเท่านี้ถึงกับเอาน้ำเดือดลาดหัวเหรือเอาละขอโทษทีเจ้าแม่ไม่ต่อว่าแล้วจะทายังไงดีละ่ะหัวหูพองมือพองหมดแล้ว ทันใดก็มีเสียงบอกท่านว่าให้เอาหูมาถูที่ศีรษะและมือสิเดี๋ยวก็หายหลวงพ่อก็หยิบเอาหูออกมาแล้วเอาไปถูที่ศีรษะชั่วแวบเดียวทั้งศีรษะและมือก็หายปวดแสบปวดร้อนไปได้หลวงพ่อก็ขอบคุณและขอโทษเจ้าแม่และบอกเจ้าแม่ว่าต่อไปนี้จะไม่ล้อเจ้าแม่อีกแล้วและขอให้เจ้าแม่ยกโทษให้ด้วยและขอให้ได้เงินเป็นค่าเครื่องบินมากรุงเทพด้วย หลวงพ่อเล่าว่าเป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งอยู่ๆรุ่งเช้าขึ้นมาก็มีคนอุตส่าห์เดินทางมาจากเชียงรายพกเงินมาห 5,000 ันบาทอยู่ๆก็ถวายปัจจัยหลวงพ่อไว้3ามพหหลวงพ่อก็เลยได้ค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเดินทางลงมากรุงเทพโดยไม่ต้องรบกวนใครหลวงพ่อบอกว่าเจ้าแม่กวนอิม น, นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆลงท่านช่วยแล้วเป็นสําเร็จทุกที แต่อย่าได้ไปลบหลู่ท่านเป็นอันขาดถ้าท่านกลิ้วขึ้นมาท่านลงโทษให้เห็นท่านตาเช่นเดียวกันตอนลูคีเมียเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ถ้าจะพูดไปแล้วก็เหมือนปาฏิหาริ์บอกเล่าให้ใครฟังก็คงแทบจะเชื่อไม่ลงแต่มันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงเพราะฉันได้รักษาด้วยตัวเองโดยอาศัยอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิมบวกกับขนไข่ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาแน่วแน่ด้วย จึงบังเกิดผลขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วท่านตาเห็นหมอผู้ให้การรักษาคนป่วยซึ่งหมดทางรักษาแล้วจนบอกให้คนไข้กลับบ้านเพราะอยู่โรงพยาบาลก็ตายเงินก็ต้องเสียสู้กลับไปตายที่บ้านดีกว่าซึ่งนั่นเป็นตอนแรกก่อนที่คนไข้จะมาพบชั้นนั้นมาตอนหลังนี้กลับมากุลีกุจอช่วยเหลือเต็มที่เพราะอาการคนไข้เกิดดีขึ้น ทำให้หมอเกิดความหวังว่ามีทางรักษาต่อไปได้ซึ่งหมอเองก็งงเหมือนกันว่าอาการคนไข้เกิดดีขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าระยะนี้ฉันต้องนั่งแจกน้ำมนต์รักษาคนไข้ทั้งวันก็ทําให้เส้นสายยึดจึงเรียกหมอนวดแผนโบราณมาให้ประครบด้วยสมุนไพรอาทิตย์ละสองครั้งก็ทําให้พอค่อยยังชั่วหมอนวดที่มาประครบฉัน ได้มาเห็นการแจกน้ำมนต์รักษาคนไข้ของฉันได้ผลจริงจังก็เกิดความเลื่อมใสได้ขอน้ำมนต์ไปเป็นสิริมงคลก็ได้ผลกับตัวเองด้วยวันหนึ่งเขาเห็นคนที่พักฟแลดเดียวกันมีอาการประหลาดคือมีรอยช้ำตามตัวแขนขาเป็นจ้ำๆเขาก็ถามดูว่าเป็นอะไรคนไข้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งจบปริญญาโทมีความรู้ดี คนไข้ก็ตอบว่าหมอบอกว่าเป็นโรคลูคีเมียเขารักษาไม่ได้แล้วหมอนวดก็เกิดสงสารเพราะเด็กสาวคนนี้เป็นเด็กดีมากใครๆเห็นก็ต้องเมตตาหน้าตาซื่อๆหน้าสงสารจะพูดจะจาก็เรียบร้อยมากฐานะทางบ้านก็ดีเป็นชาวเชียงใหม่เลยชวนให้มาหาฉันเพื่อให้เจ้าแม่กวนอิมท่านรักษาให้ฉันเห็นวันแรกก็รู้สึกถูกชะตามาก หลังจากถามอาการแล้วเจ้าแม่ก็บอกว่าให้เป่าหัวให้ด้วยตอนที่มาหาฉันเม็ดโลหิตแดงเหลือในตัวเพียงแปดพันเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากใกล้อันตรายเต็มทีแล้วฉันได้อธิษฐานจิตขอให้น้ำมนต์ลงไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้เพิ่มปริมาณขึ้นมาให้มากๆเพื่อจะได้มีชีวิตยืดอายุให้คนไข้ได้มีโอกาสรักษาตัวต่อไปได้และขณะที่เป่าหัวให ฉันก็ภาวานาจิต แ, แน่วแน่ขับไล่โรคร้ายที่คุกคามอยู่ให้หยุดนิ่งยาคุกคามต่อไปและให้อาการของคนไข้กลับจากร้ายกลายเป็นปกติโดยเร็วช่าง น, น่าประหลาดที่สุดชั่วระยะ2วสองวันกับหนึ่งคืนเท่านั้นคนไข้กลับมาหาฉันมาบอกว่าเม็ดเลือดแดงได้เพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นแล้วพอหมอเช็คเลือดเสร็จก็รีบเริ่มให้การรักษาใหม่โดยให้เกร็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นไปอีก พร้อมกันนั้นคนไข้ก็ดื่มน้ำมนของเจ้าแม่และมาให้ฉันเป่าหัวให้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนจะเข้าขั้นปกติอยู่แล้วการที่คนไข้มีอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนี้มิใช่ด้วยการดื่มน้ำมนของเจ้าแม่แต่อย่างเดียวแต่เป็นด้วยแรงอานิสงส์ที่ฉันแผ่ไปให้คนไข้ในทุกๆเช้าประกอบไปด้วยจึงได้ผลรวดเร็วเช่นนี้ขณะนี้คนไข้ก็ยังมีชีวิตอยู่ และคงจะเริ่มกลับมาทำงานได้แล้วหลังจากหยุดพักรักษาตัวอยู่พักใหญ่ตามที่ฉันเคยเล่าว่ากำลังรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดอยู่อาการก็ทรงทรงสุดๆดแต่ก็ยังไม่ตายครั้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเด็กสาวผู้นี้มาหามาขอน้ำมนและเป่าหัวฉันเห็นอาการแล้วใจไม่ดีเลยคือซีดมากปวดศรีรษะรุนแรงฉันรีบเอาน้ำมนเจ้าแมให้ดื่มเต็มถ้วย อาการปวดศีรษะก็ลดลงแต่ยังมีอาการเพลียหลังจากฉันรีดเอาตัวมะเร็งจากต้นคอให้มันลงมาไม่ให้ขึ้นศีรษะแล้วเธอก็ขอตัวไปนอนพักในห้องด้านในหลังจากกลับไปฉันได้โทรศัพท์ไปเยี่ยมก็รู้ว่ามีอาการไข้สูงจนตัวสัน่นแน่นหน้าอกมากที่ลำคอมีเสมหะมาจุกมากพูดไม่ค่อยออกฉันหนักใจมากนั่งลาดับจิต จิตก็บอกอยังไม่ถึงตายแต่ฉันก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรได้แต่อธิษฐานจิตกับเจ้าแม่ขอให้ท่านช่วยดลบันดาลให้คนไข้ารายนี้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้เสียทีโดยฉันขอเอาอณิสงของฉันเข้าแลกจากเจ้ากรรมในเวรของคนไข้ารายนี้เจ้ากรรมในเวรนี้ฉันขอทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติฉันเฝ้าภาวนาทุกวันตอนไหว้พระ คนไข่ตกอยู่ในอาการหน้าวิตกอยู่สองวันก็ให้มีเหตุการณ์ประหลาดคือวันนั้นเป็นวันพฤหั ส, สบดีตอนเย็นมีลูกชายของเพื่อนชั้นคนหนึ่งกำลังตกงานก็มาหาขอให้เป่าหัวให้พรให้ขณะที่ฉั้นกำลังจะเป่าหัวชายหนุ่มคนนี้อยู่ๆก็มีชายหญิงคู่หนึ่งมาหาชั้นไม่รู้ตัวมาก่อนเลยไม่มีการนัดหมายใดๆทั้งสิ้นจู่ๆก็เดินเข้าห้องรับแขกมาเฉยๆ สุภาพบุรุษที่เป็นสามีนุ่งกางเกงสีน้ำตาลไม่เกือบดำใส่เสื้อฮาวายสีเนื้อเข้มส่วนภรรยาซึ่งสามีแนะนำว่าเป็นแพทย์หญิงแต่งสีขาวทั้งชุดฉันขอเป่า ห, ห, หัวให้หลานชายแล้วก็ได้หันไปคุยด้วยทั้งสองท่านนี้ไม่ได้เอ่ยถึงความประสงค์เลยว่ามาหาฉันเพื่ออะไรแต่ผู้เป็นสามีได้เล่าถึงเมื่ออดีตการสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวนนั้น ไม่มียาใดรักษาได้ใช้สมอไทยแช่น้ำลงในมูดคือน้ำปัสสาวะตัวเองแล้วนำมาดื่มแก้อาการเจ็บไข้ได้ฉันฟังก็ยังจับความต้องการไม่ได้อ ย, ยู่ๆตอนหนึ่งฝ่ายภรรยาก็พูดขึ้นว่าสมอไทยนี้ใช้ได้ดีมากกับคนที่เป็นโรครูคีเมียหมายถึงมะเร็งในเม็ดเลือดถ้าคนไข่รู้สึกเพียมากแล้วก็ให้เอาสมอแห้งไทยสามกมือของคนป่วย ต้มกับน้ำสามถ้วยแก้วใส่เกลือเม็ดหนึ่งช้อนโต๊ะต้มเคี่ยวไปให้น้ำลดลงเหลือเพียงหนึ่งถ้วยครึ่งแล้วให้คนไข้ดื่มอาการเพียจะหายเป็นปลิดทิ้งพูดพลางก็เปิดเสื้อให้ดูที่ไหลยังเป็นรอยช้ำๆอยู่สองสามจุดได้บอกแล้วว่าขณะนั้นฉันกำลังเป็นห่วงอาการคนไข้เด็กของฉันอยู่มากพอได้ฟังดังนั้นฉันมิได้รีรอเลย ได้ขออนุญาตต่อโทรศัพท์ไปแจ้งยังญาติของคนไข้ที่บ้านเขาบอกให้ออกไปซื้อสมอไทยแห้งมาเดี๋ยวนี้จัดการต้มให้เพ็ดคนไข้รายนี้ดื่มในคืนนั้นทันทีพ่อบอกเสร็จก็พอดีมีคนไข้รายหนึ่งซึ่งนัดไว้ว่าจะขอเช่าเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ไปบูชาก็เข้ามาในห้องรับแขกพอเห็นผู้มาใหม่สองสามีภรรยาผู้มาบอกยารักษาโรคลูคีเมียก็รีบลาแล้วก็ไป ส่วนผลของลูกสมอไทยที่ได้รับคำบอกเล่าไว้นั้นก็เกิดเป็นผลดีอย่างประหลาดญาติคนไข้โทรศัพท์มารายงานว่าหลังจากดื่มน้ำสมอไทยนี้แล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ถ่ายอุจจาระเป็นการใหญ่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งบ้านพอถ่ายหมดท้องอาการทั้งหมดที่เป็นก็หายเป็นปลิดทิ้งลุงึ้นก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเช็คตัวมะเร็งจากเดิมห้าหม่นกว่าเหลือ 3, สาพันเศษ เล่นเอาหมองงจนอุทานออกมาว่านี่ไปโดนลูกฟลุกอะไรมาจึงเป็นไปได้อย่างนี้ตกลงเพชรเด็กสาวผู้น่าสงสารของฉันก็รอตายมาได้อย่างบุดวิดที่สุดยิ่งกว่านั้นยังแข็งแรงขนาดขนของย้ายบ้านไปเช่าตึกสองชั้นอยู่เพื่อจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเดินขึ้นหอพักซึ่งที่เดิมเธอซื้อแฟลตเอาไว้ชุดหนึ่งแต่อยู่ชั้นสี่เดินขึ้นไปไม่ไหวเลยย้ายตัวเองไปอยู่ใกล้ที่ทางาน เพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงานและหาหมอในชั่วโมงที่ฉันเขียนอยู่นี้ยังไม่ได้รับข่าวคืบหน้าว่าอาการดีขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่แน่ใจรู้สึกว่าเพชรจะต้องไม่ตายถ้าท่านสุภาพบุรุษและภรรยาคู่นี้มาบอกยาได้อ่านพบก็ขอได้โปรดรับความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการที่ท่านจูจ่ๆก็มาบอกยารักษาโรคร้ายนี้เสร็จแล้วก็ลากลับไปนั้น ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ผู้น่าสงสารให้รอดชีวิตได้ในนาทีสุดท้ายทีเดียวถ้าไม่ได้คำบอกของท่านคนไข้ารายนี้ก็จะต้องเหลือแต่ชื่อแล้วป่านนี้อา น, นิสงผลบุญนี้ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ก, กายและใจปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีที่ชอบก็จงได้สมปรารถนาทุกประการถ้าท่านมีตัวตนก็ขอได้โปรดกลับมาสนทนากับผู้เขียน ให้ได้กล่าวคำขอบคุณด้วยตัวเองอีกสักครั้งด้วยเถิดจะดีใจเป็นอันมากถ้าได้พบท่านอีกครั้งและการมาอย่างจู่โจมและกลับไปอย่างรีบด่วนนั้นทำให้สงสัยเหลือเกินว่าใครหนอส่งท่านมาและได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ได้อย่างประหลาดที่สุดถ้าท่านมีตัวตนผู้เขียนก็ถือเสมือนเทวดาได้ส่งท่านมาในจังหวะที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ผู้หนึ่ง ซึ่งไกลถึงขีดมรณะเต็มทีแต่กลับได้เกิดใหม่เพราะคำบอกเล่าของท่านเพียงไม่กี่คำแท้ๆตอนอาการประหลาดแพทย์หญิงคนหนึ่งได้โทรศัพท์มาหาฉันหลายครั้งจากต่างจังหวัดที่เธอประจำอยู่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดด้วยความสนใจในกิจกรรมของฉันเป็นอย่างมากเธอเป็นหมอก็จริงแต่เรื่องที่เกิดกับเธอนั้นแพทย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะรักษาเธอได้ เธอจึงคิดถึงฉันและน้ำมนตจากเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเธอแน่ใจว่าจะช่วยหาทางออกให้เธอได้เราได้พูดกันทางโทรศัพท์อยู่หลายครั้งกว่าจะได้พบตัวกันจริงๆในที่สุดเธอก็มาเธอได้เล่าให้ฉันฟังถึงเหตุที่เกิดกับเธอหลายครั้งต่างอาการเช่นอยู่ๆเธอก็มีอาการบวมทั้งตัวโดวยหาสาเหตุไม่ได้ครั้งหลังสุดอยู่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจากในตาข้างซ้าย เธอตกใจมากเพื่อนๆหมอของเธอก็ช่วยกันตรวจหาสาเหตุและสมมุติฐานแห่งโรคหาเท่าไหร่ก็ไม่พบสุดความสามารถที่เธอจะช่วยเหลือตัวเองได้วันหนึ่งเธออ่านหนังสือโลกหลีหลับที่ฉันเขียนเธอสนใจมากและได้ตัดสินใจที่จะมาหาเจ้าแม่กวนอิมให้รักษาโรคเธอก่อนที่เธอจะมาก็ได้โทรศัพท์นัดกันอยู่หลายครั้งและในที่สุดเธอก็มา เธอเป็นแพทย์ที่สมกับเป็นแพทย์จริงๆคือกริยาสุภาพพูดจาเรียบร้อยหน้าตาเธอไม่ตกแต่งอะไรเลยเป็นธรรมชาติจริงๆแต่แววตาเธอมีความกังวลอยู่มากเป็นโชคดีของเธอที่เผอิญฉันมีสมาธิและตรวจรู้ว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวงของเธอเล่นงานจนเธอตั้งตัวไม่ติดที่หูฉันบอกว่าให้เธอทาพิธีสะเดาะเคราะห์โดยถวายสังฆทานพระ 3-5 ถึงรูปและถวายวันตัวเธอคือวันพฤหัสบดีเธอมีอาการประหลาดใจมากที่ฉันรู้ว่าเธอเกิดวันพฤหัสบดีรู้สึกเธอมีศรัทธาเพิ่มขึ้นทันทีและได้รีบจดพิธีกรรมที่จะถวายสังฆทานไปโดยละเอียดแม้แต่คําอธิษฐานเธอเป็นแพทย์หญิงก็จริงแต่เธอมีกรรมเก่าติดตัวมามากจึงต้องเผชกับเหตุการณ์และอาการเจ็บป่วยที่แปลกๆโดยหาสาเหตุไม่พบ แต่หลังจากที่เธอไปปฏิบัติตามที่ฉันบอกแล้วหวังว่าเธอคงจะสบายใจขึ้นและปรากฏการต่างๆที่ประหลาดก็คงจะไม่มาเยี่ยมกลายเธออีกจบตอนแรกนะครับต่อไปเป็นตอนที่สองอนุภาพน้ำมนตเรื่องนี้ก็แปลกเมื่อตอนที่ฉันเริ่มแจกน้ำมน์ใหม่ๆได้มีสุภาพสตรีสาวสองคนทำงานธนาคารแห่งหนึ่งได้มาขอน้ำมนเพื่อเป็นสิริมงคล ฉันก็ให้ไปประพรมโต๊ะทางานที่บ้านและที่ห้องนอนเมื่อสักครู่นี้เองเธอทั้งสองคนโทรศัพท์มาจากที่ทำงานบอกว่าตั้งแต่ได้น้ำมนต์ไปประพรมครอบครัวเขามีความสุขขึ้นมากถูกลอตเตอรี่หลายหนเธอบอกว่าเธอห่วงน้ำมนต์นี้ที่สุดวางไว้บูชาเป็นอย่างดีคนหนึ่งเล่าว่าวันหนึ่งสไพยคนหนึ่งในบ้านทานอาหารก้างปลาติดคอทาอย่างไรก็เอาไม่ออกหมดปัญญากันแล้ว คนเจ็บก็เจ็บคอมากพอเอิญเธอนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้ำมนของเจ้าแม่อยู่ที่ที่บูชาเลยเทมาให้นิดเดียวแล้วให้ดื่มพอคนเจ็บดื่มเสร็จผลปรากฏว่าหายเจ็บทันทีเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่รู้ก้างปาหายไปได้อย่างไรส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอมีลูกสองคนถ้าฉันจำไม่ผิดคนหนึ่งเป็นผู้ชายเกิดเป็นไข้เลือดออกเป็นมากขนาดหมอไม่รับแล้ว เพราะอาการหนักมากเธอกลัวลูกจะตายที่สุดก็เลยเอาน้ํานตของเจ้าแม่ให้ดื่มน้ํานตก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพอลูกชายดื่มน้มนํานต์ไข่ก็ลดอาการดีขึ้นหมอคนเดิมก็กลับมารักษาให้เธอบอกว่าดีใจเป็นที่สุดและเดี๋ยวนี้ลูกชายของเธอก็รอดตายหายกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของน้ํานตเจ้าแม่ ได้บันดาลให้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอทั้งสองเธอเลยขออนุญาตนำรูปปั้นเจ้าแม่ที่ได้มาจากจีนแดงจะนำมามอบให้ฉันแม้ฉันจะปฏิเสธเธอก็ไม่ยอมฉันก็คงต้องรับไว้เพื่อมิให้เสียน้ำใจของเธอทั้งสองเป็นแน่จบตอนที่สองนะครับเนื่องด้วยแต่ละตอนเป็นตอนสั้นๆผมเลยจะขออนุญาตเล่าตอนที่สาตอนที่สามเนื้อร้ายในอก ในบรรดาคนไข้ทั้งหลายมีอยู่รายหนึ่งเธอเป็นสุภาพสตรีมีฐานะดีสามีเสียไปแล้วหลายปีเธอก็มีกิจการการค้าของเธอเองอยู่กับบุตรตามลำพังเธอบอกว่าเป็นคนที่ระวังมากเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพเธอหมั่นตรวจตราอยู่เสมอพอเว้นไม่ได้ตรวจไปเพียงสองสมเดือนเท่านั้นมาตรวจที่เต้านมก็พบเป็นก้อนแข็งโตเท่าเหรียญห้าบาท เธอตกใจมากรีบไปพบหมอหมอก็เจาะลงตรงนั้นและดูดได้หนองออกมาตอนใกล้จะหมดก็มีเลือดออกหมอเอาเนื้อตรงนั้นไปวิจัยพบว่าเป็นเนื้อร้ายหมอบอกให้เธอเร่งมาผ่าตัดเสียโดยเร็วแต่เธอก็ยังลังเลและเกรงไปว่าถ้าเข้าไปแล้วจะไม่ได้ออกมาไม่ทราบเป็นเพราะเหตุไรเธอจึงคิดแบบนี้ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจมาหาฉัน เพื่อมาขอคําแนะนำว่าเธอควรจะตัดสินใจอย่างไรดีเป็นการยากยิ่งเหลือเกินที่ฉันจะตัดสินใจให้เธอได้เพราะถ้าฉันตัดสินใจให้เธอผิดนั่นก็หมายถึงเดิมพันด้วยชีวิตทีเดียวฉันจึงให้เธอตัดสินใจเอาเองและในวันนั้นฉันก็ได้มอบน้ำมนให้เธอไปดื่มและเอาสารีชุบน้ำมนแปะที่ตรงแผลเธอก็รับน้ำมนไปปฏิบัติตามที่ฉันบอกนอกจากนั้นแล้ว ยังมีหมอเวทมนตร์อีกคนหนึ่งที่รักษาในแนวเดียวกันกับฉันคือบูชาเจ้าแม่กวนอิมและรักษาภายใต้อานุภาพของเจ้าแม่กวนอิมเช่นเดียวกันเพียงแต่วิธีการรักษาคนละอย่างเท่านั้นวันหนึ่งเธอโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าเธอตัดสินใจแล้วที่จะไม่ผ่าตัดแน่นอนและขอรักษาด้วยอาศัยอานุภาพของเจ้าแม่กวนอิมตลอดไปเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณวันที่สามสี่ เดือนเมษายนนี้ขณะที่เธอและลูกๆนั่งกันอยู่ในห้องพระซึ่งไม่ได้ติดแอร์และอากาศก็ร้อนจัดขณะที่นั่งกันอยู่และอธิษฐานจิตถึงเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยรักษาให้อยู่ก็เกิดมีความเย็นได้ลอยเข้ามาในห้องพระเย็นมากขนาดคนลุกกันหมดทำให้รู้สึกวันไหวในจิตสำนึกบอกว่านี่เป็นอนุภาพของเจ้าแม่เป็นแน่แท้ทุกคนก็ก้มลงกราบขอพรต่อท่าน ทั้งๆ ท, ที่ไม่เห็นตัวตนความเย็นเยียบนั้นเป็นอยู่สักครู่ก็หายไปห้องพระก็กลับมาร้อนดังเดิมเธอบอกว่าปรากฏการณ์อันนี้ยิ่งทำให้เธอมั่นใจในอนุภาพของเจ้าแม่กวนอิมหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมและเธอเชื่อว่าเธอจะไม่เป็นอะไรในทางที่เลวลงด้วยอนุภาพของเจ้าแม่อย่างแน่นอนวันที่เธอมาขอรับน้ำมนต์เป็นวันพุทธที่8เมษายน หน้าตาเธอสดสวยทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนอกจากจะทาลิปสติกบางๆเท่านั้นแต่ผิวพรรณเธอก็ยังดูผุดพองอยู่ตามเดิมถ้าไม่บอกจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเธอกําลังเป็นโรคร้ายอยู่ฉันเองก็ภาวนาจิตอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะเห็นเธอผู้นี้มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆและหายจากโรคร้ายในที่สุดด้วยอนุภาพแห่งเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตา คงบันดาลให้เธอผู้นี้หายวันหายคืนและกลับสู่สภาพปกติภายในเวลาไม่ช้านักฉันขอภาวนาและฉันเองก็จะไม่ย่อท้อที่จะช่วยรักษาเธอให้เธอรอดปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ให้จงได้จบตอนที่สต่อไปเป็นตอนที่สี่นะครับตอนเหมือนเกิดใหม่เรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างที่สุด ควรที่จะเล่าสู่กันฟังให้ได้รู้ว่าสิ่งใดในโลกที่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้นั้นเรื่องนี้ได้ลบล้างคำพูดเหล่านั้นไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นมาเล่าฉันจะต้องว่าเป็นเรื่องมดเท็จแน่ๆ แ, แต่นี่เกิดขึ้นกับผู้ใกล้ชิดของคนไข้ที่มารับน้ำมนต์ไปแล้วกลับมาเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นฉันจึงเชื่อและรับฟังด้วยความปิติเป็นอย่างยิ่งเรื่องมีอยู่ว่าในวันแจกน้ำมนเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีญาติของคนไข้ร า, ายหนึ่งมาเล่าว่าญาติของเธอประสบอุบัติเหตุขณะขับรถไปโดยถูกรถวิ่งมาชนทั้งสามด้านคือด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างสตีผู้ขับก็ช็อกสลบอยู่ในรถกว่าจะงแงะออกมาได้ก็กินเวลานานจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลเธอสลบไปสิบห้าวันต่อมาเมื่อฟื้นก็ฟื้นแบบไม่รู้สึกตัวจำใครๆแม้แต่มารดาและลูกของตัวเองก็จาไม่ได้ พูดก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสามเดือนต้องนอนอยู่ห้อง i อซเธอมาหาฉันและบอกว่าสาบจากหนังสือโลกลี้ลับที่เผอิญซื้อไปอ่านจึงมาขอความกรุณาขอให้ช่วยญาติคนนี้ของเธอด้วยฉันถามว่าคนไข้ทานอาหารอย่างไรเขาบอกเจาะคอใส่สายยางฉันสะึกไปครู่หนึ่งเพราะคนไข้ยังดื่มน้ำมนต์ไม่ได้ไม่รู้จะทาอย่างไรดี เลยนั่งนิ่งๆและลึกถึงเจ้าแม่ถามท่านว่าเจ้าแม่จะให้ลูกช่วยคนไข้ารายนี้ได้อย่างไรทันทีท่านสั่งว่าเอาน้ำมนต์พรมลงไปที่ศรีรษะแล้วเอาผ้าขนหนูชุบน้ำมนให้ชุ่มๆพาดหน้าผากลงไปให้ถึงขมับเพื่อให้น้ำมนไปกระตุ้นประสาทในสมองให้ทำงานฉันก็บอกไปตามนี้แล้วยกถุงน้ำมนต์ขึ้นจบขออนุภาพเจ้าแม่ดลบันดาลให้น้ำมนนี้ เมื่อประพรมลงบนศีรษะและพ้าหน้าผากแล้วน้ำมนต์นี้จงศักดิ์สิทธิ์สามารถไปกระตุ้นและปรับให้ประสาทในสมองจงสั่งงานตามปกติด้วยเถิดแล้วฉันก็เอ่ยชื่อมอบให้คนไข้ให้ญาตินำไปและกำชับว่าทุกเช้าให้มารดาคนไข้จุดธูปและอธิษฐานจิตตามนี้แล้วจึงจะนำไปพรมพาดหน้าผากคนไข้ญาติคนไข้หายไปสามวัน พอวันที่สี่ครบวันแจกน้ำมนตญาติคนเดิมก็มาขอรับน้ำมนไปอีกพร้อมกับนำข่าวดีที่มหัศจรรย์บอกว่าหลังจากนำน้ำมนไปปฏิบัติตามสั่งแล้วคนไข้ได้ฟื้นแล้วจำแม่ได้และพูดได้พร้อมทั้งถามหาลูกและสามีพวกญาติโดยเฉพาะมารดาดีใจจนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าคงจะต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างแน่นอนแต่เดชะบุญกุศลส่งให้ไปพบกับเจ้าแม่ ท่านทรงโปรดเมตตาจึงได้ลูกกลับคืนทั้งหมอพยาบาลและใครๆที่รู้ข่าวนี้พากันประหลาดใจอย่างที่สุดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เป็นไปแล้วอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยแม้แต่ตัวฉันเองที่ได้ทราบครั้งแรกก็แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันการที่คนไข้ารายนี้สามารถกลับพื้นคืนสติขึ้นมาได้ประกอบด้วยเหตุสามประการคือ 1. เขายังไม่ถึงอายุไขที่จะดับ 2. คนไครต้องเป็นคนที่มีบา ร, รมีพอสมควรคือหมายถึงปกติเธอคงจะปฏิบัติธรรมอยู่บ้างบุญจึงช่วยเธอ 3. กระแสจิตต้องสามารถรับกระแสะแห่งความเมตตาของเจ้าแม่ได้เช่นเดียวกับฝาและตัวที่ครอบกันได้อย่างพอดีด้วยเหตุผล3ประการนี้การรักษาของฉันโดยอนุภาพของเจ้าแม่จึงบังเกิดผลสาเร็จขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์ที่สุด ฉันเองก็ได้รับความปราบเลื้มปิติเป็นล้นพ้นในกุศลกรรมครั้งนี้จึงนำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะไม่รังเกียจและไม่เบื่อที่จะได้ฟังแต่เรื่องความเป็นไปของคนไข้ต่างๆต่อไป